จะต้องจากไปซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายวันเวลาอันมีค่าของพวกเราซึ่งก็คงมีไม่เกินคนละหนึ่งรปีให้ต้องโมฆะเสียเปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดมิได้เหตุใดไม่เร่งขวนขวายสร้างสมบุญบารมีที่เป็นอริยะทรัพย์อันประเสรศิฐซึ่งจะติดตัวไปได้ในชาติหน้า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 ผู้จะมีสติระวังไม่ทําความไม่ดีทั้งกายวาจาใจได้ยิ่งกว่าผู้อื่นคือเป็นผู้มีกตัญญูกตตะเวทีอันเป็นธรรมะสำคัญธรรมะที่จะทำคนให้เป็นคนดีมีความห่วงใยปรารถนาจะระวังรักษาผู้มีพระคุณไม่ให้ต้องเสียชื่อเสียงและไม่ต้องเสียทางน้ำใจผู้มีกตัญญูกตตะเวที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 เสียงอ่านหนังสือวิธีสร้างบุญบา ร, รมีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดบวรนิเวศวิหารเสียงอ่านโดยโจโ ช, โชขอบคุณเป็นพิเศษกับคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงเป็นโ น, บนเบลงมาประกอบเสียงอ่านสพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะ ก, การให้ทางปวงกราบอนุโมทนากับทุกท่าน ที่ร่วมเผยแพร่คําสอนเสียงอ่านฉบับนี้นะครับติดตามตัวโหลดธรรมะได้อีกมากมายได้ฟรีที่โจโชว .net J-O-Z-H-O-N-E-T เธอดองยาณสังขราชามุธิตาอภิวาทผู้ทรงธรรม ชี้นำเผยแปร่พุทธธรรมให้เกลีดไกลเชื่อกงทำดีกันเถิดนาคือสัจจาทรงกรุณาสั่งสอนไว้ให้ทุกคนจงก้าวพ้นจากเวรภัยหยุดการเวียนวน เกิดกันเถิดนา I'll s r e you. a y a t e n a k m o